น, นี้ก็ได้พูดถึงผู้ต่อพจน์ตอนหนึ่งที่ว่าบัณฑิตนะย่อมฝึกตนเพาว่าบัณฑิตนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่จบปริญญาหรือได้ประกาศนียบัตรนะจะหมายถึงคนที่มีการศึกษาศึกษานี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปอ่านหนังสือหรือว่าไปเข้าโรงเรียนนะแต่เป็นผู้ที่นะมี การศึกษาในการในทางธรรมนะจนมีปัญญาในการแก้ทุกขนะ์แก้ปัญหาของตัวเองได้ฝึกตนเนี่ยฝึกอย่างไรนะฝึกที่ไหน ฝึกตอนนี้ก็หมายถึงการฝึกที่กายวาจาใจจะฝึกที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแม้แต่เวลาเรากินอาหารเวลาเราเข้าห้องน้ำเวลาเราพูดคุยกับลูกสนทนากับมิสหายาเวลาทำงานทำการ ก็เป็นโอกาสสําหรับการฝึกตนได้ทั้งสิ้นมาฝึกตนที่กายวาจาใจก็คือการทำตนให้มีศีลหรือการรักษาศีลการประเพณทางจิตที่เรียกว่าสมาธิแล้วก็การ จเจริญปัญญาให้งอกงามที่เราเรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาไตรสิกขาคำว่าสิกขาก็แปลว่าศึกษาการศึกษา3มิติการศึกษา3ลําดับก็คือฝึกฝนกายวาจาใจบางทีก็ฝึกด้วยการาเริ่มต้น จากการให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาเราคงเคยได้ยินครับว่าบุญกิริยาวัตถุนะคือการทำบุญมีสารประการคือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็เรื่องเดียวกันนะนะแต่ว่าเน้นคนละแง่ สำหรับคนทั่วไปค า, ารวาดปุตตุชนคนเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงหรือไม่ชนักบวช <c oughs> ก็ใช้คำก็ใช้วว่าทานศีลภาวนาเนะ้นเรื่องในเรื่องการ ปฏิบัติที่กายวาจาส่วนใจศีขานี่ศีลมีแค่หนึ่งที่เหลือสมาธิปัญญาเป็นเรื่องการฝึกทางจิตเน้นคนละแงน่นะแต่ว่าครอบคลุมทั้งกายวาจาใจเหมือนกันเรื่องศีลเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายแต่เฉพาะการ มารักษาศีล5เท่านั้นนะศีลหมายถึงพฤติกรรมพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาซึ่งเมื่อเราทำแล้วเนี่ยนะนอกจากจะช่วยทำให้มีความเดือดเนื้อร้อนใจมากขึ้นแล้ว ช่วยทำให้ความดื้อเนื้อร้อนใจลดลงแล้วยังช่วยทำให้กล่อมกล่าวจิตใจได้มากขึ้นด้วยเวลาเรารักษาศีลเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราทำเพื่ออะไระทำเพื่อลดความเห็นแก่ตัวทำเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น นั่นข้อที่1แล้วข้อที่2คือเพื่อทําให้จิตใจเราสงบจิตใจเรามีเมตตาจิตใจเรามีความอดทนเพื่อง่ายคือมีคุณภาพจิตที่ดีขึ้นการรักษาศีเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นการฝึกตนแล้วนี่ มันก็ได้ประโยชน์น้อยนะคนทุกวันนี้เวลาพูดถึงการรักษาศีลหรือแม้แต่การให้ทานเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มองมาที่เรื่องการฝึกตนหรือกลมเกลากายวาจารวมทั้งการฝึกจิตเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าทำแล้วจะได้อะไรให้ทานแล้วก็น่าจะได้ไปสวรรค์ หรือว่ารักษาศีลก็จะได้มีคนเคารพนับถือรวมทั้งทำให้มีความสุขความเจริญในความหมายที่มีทรัพย์มีสมบัตินะมีชื่อเสียงเกียรติยศคือไปมองที่ประโยชน์นอกตัวไปหมดเลยแต่ไม่ได้นึกถึงเรื่องของการฝึกตนก็คือ ฝึกให้นอกจากไม่เป็นไปเป็นผู้สร้างความดือดร้อนแก่ใครแล้วก็ยังช่วยลดละความเพ็งแก่ตัวลดละความยึดติดถือมั่นเดี๋ยวนี้การให้ทานก็ดีการรักษาศีกก็ดีหรือพูดรวมๆว่าการทำบุญนะของ ชาพุทธเรามันคาดเคลื่อนไปเยอะไม่ได้นึกถึงเรื่องการฝึกตนแล้วนะแต่ว่านึกแต่ว่าฉันจะได้อะไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนนะมาถามมาถามว่า การทำบุญ9วัดเนี่ยตลอดจนการไปสังเว ช, ชนิสฐานนะที่ประเทศอินเดียมันจะช่วยปิดอบายได้ไหมปิดอบายคือว่าตายไปแล้วก็ไม่ไปนรกนะไม่ไปทุกติมีแต่ไปสุกติคือนะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดา อันนี้ก็เป็นความเข้าใจนะที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่ได้รู้ว่าให้การทำบุญหรือว่าการทำความดีนี้ทำเพื่ออะไรเราลอ ง, ลองนึ ง, ง่ายๆว่าไปทำบุญเก้าวัดแล้วหรือว่าไปถึงประเทศอินเดียไปสี่สังเวชนียสถานแล้ว กลับมาก็จับนกเอายิงนกตกปลาฆ่าสัตว์หรือว่าลักขโมยคอร์รัปชันแล้วพอตายไปแล้วนี่จะไม่ไปอาบายหรือคนที่คิดแบบนี้นะก็ง่ายมากเลยนะที่จะเกิดความหลงผิด ไปประเทศอินเดียเสร็จมาเสร็จแล้วนี่ก็คิดว่าโอ้ฉันนี่ต่อไปนี่ฉันไม่ตกนรกแล้วเพราะฉะนั้นจะทำช่วยยังไงก็ได้นจะโกงเงินนะจะโกหกใครก็ได้นะมันไม่ใช่นะที่จริงการทำบุญก้าวัดก็ดีหรือว่าการไปสังเวยชนีสถานก็ดีเนี่ยนะมันเป็นวิธีการที่จะ ฝึกตนได้แบบหนึ่ง <Okay. S 1> เช่นไปทําบุญกวัดนี่ก็เป็นการเสริมสร้างศรัทธาให้มากขึ้นเป็นการได้ใกล้ชิดพระได้ใกล้ชิดวัดเป็นการได้ทําบุญบริจาคทานเพื่อลดความเแก่ตัวไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพจิตให้ดีขึ้น แล้วก็ช่วยลดกิเลสนะช่วยลดความไฟต่ำให้ลดน้อยลงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถที่จะส่งเสริมไปให้เกิดความสุขในชีวิตนี้แล้วก็สามารถจะเอื้อเฟื้อให้ไปสุขติในภพหน้าได้แต่มันไม่ใช่หลักประกันมันเป็นเพียงแค่ตัวเอื้อตัวส่งเสริม แต่ถ้าเกิดว่าไปทาบุญกาวัดแล้วนะจิตใจไม่ได้พัฒนาหรือว่าเกิดลงผิดหลงพลาดนะไปทำชั่วเข้าให้การที่จะไปมีสุขติเป็นที่หมายนะมันย่อมเป็นไปได้ยากไปสังเวชยสถานก็เหมือนกันนะไปเพื่อที่จะเกิดธรรมสังเวชธรรมสังเวชในที่นี้เนี่ย หมายถึงความใคร่ครวญในธรรมสังเวนีไม่ได้แปลว่าเกิดความหดหู่นะสังเวทภาษาไทยกับสังเวทภาษาบาลีไม่เหมือนกันสังเวทภาษาบาลีนี่หมายถึงการตั้งจิตอยู่ในความไม่ประมาทนะแล้วก็ไปได้เกิดกําลังใจจากการที่ได้ไป สี่สังเวชในสถานไปได้เห็นว่าแม้กระทั่งพระพุทธองคนะ์ซึ่งเป็นยอดมนุษย์ก็ยังหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายนับภาษาอะไรกับเรานะซึ่งเป็นปุถุชนขณะเดียวกันโรองคก็สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุธรรมเห็นแจ้งในสัจธรรม พ้นจากวัตฏสงสารเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ให้ถ้าเราตั้งจิตแบบนี้ก็จะเกิดนะธรรมสังเวทเกิดความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยบำเพ็ญตนอยู่ในคุณงามความดีจนกระทั่งสามารถจะพ้นอบายได้ แต่ถ้าจะพูดถึงความหมายของการพ้นอบายแล้วเนี่ยนะต้องก็มีแต่เฉพาะพระอริยบุคคลนะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าพ้นอบายปิดอบายได้เพราะว่าท่านไม่มีเรียกว่ากิเลส ท, ที่จะทำให้ที่จะเป็นเหตุให้ทําชั่วเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเยอะแล้วกิเลส ท, ที่จะทําให้ทําชั่วผิดศีลเนี่ยเลยพบศีล5้านี้ไม่มีแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้ไปอบายได้ผู้ง่าคือว่าท่านได้ฝึกตนนะจนกระทั่งพ้นจากกิเลสอย่างหยาบนะที่จะทำให้ทำชั่วได้แต่ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะมันก็ยังมีโอกาสที่จะไปอบายได้อยู่เสมอ และที่มียังมีกิเลสอยู่ก็เพราะว่ายัางไม่ได้ฝึกตนเท่าที่ควรถ้าฝึกตนได้ก็ต้องหันมาทำความดีหันมารักษาศีล น, นะหันมาฝึกจิตด้วยการภาวนาการไปสังเวชนิสถานนี่ก็เป็นเป็นของดีนะแต่อย่าไปด้วยความความเข้าใจผิด เดี๋ยวนี้ก็ไปกันเยอะมากนะจนกระทั่งมีคนหนึ่งถามก็อาทิที่แล้วนี้เหมือนกันถามว่าจำเป็นไม่ต้องไปสังเวชชนิดสถานคาตอบคือไม่จำเป็นแต่ว่าการไปนี่ช่วยช่วยให้เรามีศรัทธาและมีความมั่นคงในธรรมมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของการฝึกฝนตน ถ้าไปแล้วไม่ได้ฝึกตนเลยคือไปแบบสบายๆแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ความยากลำบากแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ธรรมที่จะเกิดขึ้นอันนี้ได้ประโยชน์น้อยนะแลวยิ่งถ้าไปด้วยความเชื่อว่าไปแล้วนี่จะปิดอบาย อันนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความหลงงม ง, ง, งายมากขึ้นการกระทำแบบนี้นี่ถือว่าเป็นศิลปะปรามาตย์อย่างหนึ่งศิลปะปรามาตย์นะมันเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เข้าถึงธรรมแต่ก่อนก็แปลกันว่ารูปคลัมศีลนะแต่ที่จริงความหมายคือว่า ความยึดมั่นในศีลนะยึดมันบบมงงดม่นแบบงมงายยึดมั่นแบบไม่เข้าใจนะจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลปรามาเนียงยังแปลไดกว่าหมายถึงการแปดเปื้อนนะไม่ใช่รูปขรัมนะแปดเปื้อนแปดเปื้อนด้วยอะไรแปเปื้อนด้วยตันหามานาทัทิฐิคือถ้ารักษาศีลแล้วนะมีความ หลงตนว่าเออฉันเลิศประเสริฐกว่าคนอื่นที่ไม่รักษาศีลอันนี้ก็เรียกว่า8ดเปื้อนรักษาศีลแบบ8ดเปื้อนเหมือนกันหรือว่ารักษาศีลเพื่อจะได้ไปสวรรค์นั่จะได้เกิดความมั่งมีสีสุดคือทำด้วยกิเลสนะกิเลส ท, ที่อยากได้ลาบยศสารเส ร, ริญแล้วก็สุขสุขในทิ้นรวมถึงสวรรค์ด้วย ทศสาวศี น, าศานด้วยกิเลสนี่มันก็เป็นเป็นสิลพตะปรามาได้เหมือนกันนะสิลพตะปรามาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสังโยชน์หรือเป็นกิเลสที่ทําให้ไม่สามารถจะหลุดจากความทุกข์ได้พระโสดาบันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปิดอบายแล้วเนี่ยนะท่านจะต้องมีอย่างนึงคือสามารถจะละศิลพตะปรามาได้ นี่ถ้าไปไปอินเดียไปทําบุญทํากุศลด้วยความเชื่อว่าแค่ทําอย่างนั้นอย่างเดียวก็จะปิดอบายได้ก็เท่ากับว่ายิ่งไปสร้างอุปสรรคยิ่งไปทําให้เกิดอุปสรรคในการที่จะปิดอบายเพราะว่ามันมีความหลงมากขึ้นแทนที่จะไปลดความหลงเพื่อที่จะได้ไปเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะ จนปิดอาบายได้กลับมีความหลงมากขึ้นเนิคการทำดีนะของพวกเราชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยทำได้ความไม่รู้สิเยอะเช่นะเมื่อไม่กี่วันก็มีคนถามว่าทำวัดสวดมนต์ต้องจุดธูปเทียนไหมนะคืออาจจะมีความเชื่อว่าถ้าไม่จุดธูปเทียนนะจะไม่ได้บุญ หรือว่าจะมีปัญหาจริงๆเราทําวัดสวดมนต์เพื่ออะไรนะเราทําวัดสวดมนต์เพื่อที่ได้รนะักษาสี่งของเราให้มั่นคงขึ้นแค่การทําวัดสวดมนต์เนี่ยนะเราก็ไม่ได้ทําบาปแล้วนะเมื่อใดก็ตามที่เราทำวัดสวดมนต์เนี่ยก็ท้าก็ว่าเรารักษาศีลงทาได้ครบแล้วนะนะเพราะว่าขณะที่เราทําวัดสวดมนต์นี่เราก็ไม่ไปฆ่าสัตตัดชีวิตใคร ยกเว้นเผอไปตบยุงเข้าอันนี้ก็ไม่ถูกในระหว่างที่เราทําวัดสวดมนต์นะเราก็ไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ไปผิดศีลไม่ได้ใช้วาจาไปในทางที่เบียดเบียนหรือโกหกผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้เสบสุร่ายามเมาเพียงแค่ทำวัดสวดมนต์นี่อย่างหนึ่งที่ได้มาแล้วก็คือเป็นการรักษาศีล แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังเป็นการฝึกตนด้านอื่นด้วยก็คือฝึกตนด้านด้านจิตใจก็คือเป็นการปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นการนะทําให้จิตใจสงบถ้าเราสวดมนต์อย่างมีสตินะจิตใจอยู่กับการสวดมนต์นะก็เกิดสมาธินะจิตใจสงบเพราะไม่บกแวก และถ้าเราพิจารณาไปด้วยในขณะที่เราสวดมนต์ก็เกิดปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมในขณะที่เราสวดมนต์แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมาขึ้นอยู่การวางจิตวางใจด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทําแล้วจะเกิดผลมันต้องอยู่ที่การวางใจด้วยก็เช่นเดียวกับการไปทําบุญก้าววัดหรือว่าการไปทําบุญถวายทาน ให้กับพระสงฆ์หรือว่าการไปสังเวยชนิสถานสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมภายนอกสิ่งสําคัญอยู่ที่จิตใจว่าเราวางจิตวางใจอย่างไรนะไปทําบุญก้ว่าแต่ว่าเฮฮาสนุกสนานอย่างเดียวนะบุญก็เกิดขึ้นน้อยการฝึกตนก็ไม่ได้ผลมากเท่าไหร่ไปสังเวยชนิสถานแต่ไปแบบสบายๆนะไปแบบสนุกสนานไปช้อปปิง้ง นะไม่ได้สดับฟังธรรมะหรือเกิดสังเกธรรมสังเวทเลยนะมันก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้เป็นการฝึกตนเลยการสวดมนก็เช่นเดียวกันก็สามารถเป็นการฝึกตนทั้งกายวาจาใจได้ไม่ใช่ปากพูดไปแต่ใจลอยนะประโยชน์จะน้อยก็มีเรื่องเล่า ว, ว่า ม, มีหญิงชาราคนหนึ่งนะ เป็นคนจีนแกก็นับถือพุทธศาสนาแบบนิกายสุขาวดีนิกายนี้เนี่ยก็จะเน้นที่การสวดหรือพร่ำสาธยายพระนามของพระพุทธเจ้าโดยพ่อพระมิตราภะพระมิตราภะนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็สวดวันหนึ่งนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแล้วก็ไม่ได้สวดแค่ชั่วโมงเดียวสวดเป็นหลายชั่วโมงด้วยวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งขณะที่สวดมนต์อยู่ก็มี เพื่อนบ้านมาเรียกอยู่ที่หน้าบ้านนะที่แรกเพื่อนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบนะจากหญิงชราคนนี้แกก็เลยส่งเสียงดังขึ้นหญิงชราคนนั้นก็สวดมนต์ที่จริงก็ได้ยินเสียงนะแต่ว่าไม่สนใจ แต่พอเพื่อนบ้านนีเรียกมากขึ้นเรียกชื่อมากขึ้นแกก็เริ่มหงุ ด, งดหงิดหงุดหงิดก็ยังสวดไปอยู่เพื่อนบ้านไม่เห็นหญิงชราคนนี้มาหาก็เลยตะโกนเรียกชื่อดังขึ้นดังขึ้นสุดท้ายหญิงชราคนนี้ก็เกิดหัวเสียขึ้นมาก็เลยหยุดหยุดสวดนะแล้วก็หันไปหา หันหน้าไปหาเพื่อนบ้านนะแล้วก็พูดด้วยความโมโหโกรธามากว่ามาเรียกชื่อฉนทใหมนะฉันกำลังสวดมนต์อยูนะ่ไม่รู้จักเวลาเวลาแกใส่อารมณ์มากนะกับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านนี้ก็ตกใจนะว่าหัวทำไมมาด่าเขามาพูดจารุนแรงอย่างนั้นแต่สักพักก็ตั้งสติได้ แล้วก็พูดเตือนสติหญิงชราว่าเ네นี่ยขนาดข้าพเจ้าเนขนาดชั้นเนี่ยเรียกชื่อท่านเรียกชื่อ agh, คุณนี่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ครั้งเองคุณยังโกรธขนาดนี้และที่คุณเนี่ยเอ่ยนามพระพุทธเจ้านี่วันหนึ่งเป็นพันพันหมื่นหครั้งแล้วไม่คิดหรือว่าพระเจ้าพระพุะงงทธเจ้านีจะคิดยังไงกับท่านจะคิดยังไงกับคุณคือนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่า การสวดมนต์เนี่ยถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบนะมันไม่ได้ไประโยชน์นะสวดมนต์สวดมนต์ไปแต่หวังแต่ว่าเอาอ่าสวดให้ได้เยอะๆนะเพราะคิดว่าสวดแล้วจะได้ไปสวรรค์ปิดอบายให้ความเข้าใจแบบนี้นี่มันก็ไม่ใช่เป็นการฝึกตนเท่าไหร่ก็ฝึกเหมือนกันนะคือฝึกความเพียรแต่ว่าไม่ได้ฝึกใจนะการสวดมนต์นี่ต้องนะจะเป็นการ ปฏิบัติทำได้มันต้องเป็นการฝึกใจด้วยฝึกใจเริ่มต้นจากการที่ลดกิเลสลดตัณหาลดความเห็นแกนตัวเสร็จแล้วก็ไปเพิ่มนะความมีเมตตาศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นจริงๆแล้วการฝึกตนหรือการการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็มีอยู่สองอย่างใหญ่ๆอันที่นคือลดนะ ลดอากุศลธรรมในจิตใจอันที่สองเพิ่มกุศลธรรมในจิตใจมากขึ้นลดอากุศลธรรมนี่ก็มีอยู่สองอย่างก็คือว่าอากุศลธรรมใดที่มีอยู่แล้วก็ทำให้น้อยลงอากุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นส่วนในฝ่ายกุศลธรรมก็มีอยู่สองเหมือนกันกุศลกุศลธรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทาให้มีมากขึ้น นะกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ทำให้มีขึ้ น, นะ น, นการฝึกตนนี่ก็ในพุทธศาสนา ก, ก็มีแค่2 อ, อย่างนั่นจะเห็นได้ว่าถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยเอากุศลธรรมไม่ลดลงกุศลธรรมไม่เพิ่มขึ้นมันก็เรียกว่าทำไปอย่างเปล่าประโยชน์หรือได้ผลน้อยในเวลาเราทำความดีก็ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการทาการภาวนา นะเราต้องถามตัวเราเองว่ามันเป็นการฝึกตนมากน้อยแค่ไหนไนะม่ว่าจะเป็นการฝึกที่กายที่วาจาที่ใจก็ตามไม่ใช่ทำแต่รูปแบบนะถ้าทำแต่รูปแบบนี้นะมันเรียกว่านะศิลปะปรามาตนะเป็นความหลงงมงายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมขั้นสูงนะแล้วก็บางที นอกจากกุศลธรรมไม่เพิ่มขึ้นแล้วยังทําให้อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ลดลงเช่นทําบุญ ด, ด้วยกิเลสนะทําบุญ10 บ, บาทอยากได้ร้อยทำร้อยอยากได้พันนะเวลาทาอะไรก็คิดแต่อยากจะได้นะบุญที่มันอยากจะได้ประโยชน์นะที่มันเป็นลาภยศสุขสรรเสริญอันนี้มันกิเลสนะ ถ้าทำด้วยเจตนาแบบนี้ด้วยทัศนกติแบบนี้มันก็ไม่ได้ฝึกตนเลยนะแต่มันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสมากกว่าให้ชาวผู้ต้องหลักจับหลักนี้ให้ได้นะว่าเราทำเพื่ออะไรนะถ้าจะทำอย่างถูกต้องก็คือทำเพื่อที่จะลดละกิเลสในใจลดละความเพ่งแค่ตัวนะแล้วเพิ่มพูนสติสมาธิปัญญาให้มากขึ้น ถ้าทำด้วยความมุ่งหมายอย่างอื่นนอกจากผลดีจะเกิดขึ้นน้อยแล้วบางทีก็อาจจะเกิดโทษก็ได้เช่ชนพอคิดว่าไปทำบุญก้าวัดแล้วปิดอบายได้คนนี้นก็เลยประมาทเนี่ยก็เลยไม่ยับไม่ค่อยมีความยับยัางชัางใจในการทำความชั่วเพราะคว่าปิดอบายแล้วเพราะนันฉันจะทำอะไรก็ได้ จะไปโกงใครจะไปโกโหกใครก็ได้เพราะปิดอบายแล้วอันนี้มันเป็นความงุนงยที่ทําให้ชีวิตถลําไปสู่ทางต่ำได้มากขึ้นพราะเกิดความประมาทขึ้นหรือว่าพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมานะพออุตส่าห์ไปทําบุญเาวัดอุตส่าห์ทําบุญมากมายเสร็จแล้วเกิดเหตุร้ายขึ้นเช่นเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมา เป็นมะเร็งขึ้นมาก็ตัดเพ้อต่อว่าว่าทำไมฉันทำบุญมาทั้งชีวิตถึงต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยทำไมต้องเป็นฉันนะมีความโกรธแค้นเหมือนกับว่าถูกหลอกว่าให้ทำบุญแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้แทนที่จะทำใจให้สงบนะกับมีความขั้งแค้นนะมีความโมโห ตีโพยตีพายว่าทาแล้วนะทำบุญแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อันนี้เขาไม่ได้เข้าใจเลยนะว่าอย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยนะที่เจ็บป่วยแม้แต่พระ เ, เจ้าก็ป่วยเหมือนกันนะก็มีทุกขเวทนาเหมือนกันพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ป่วยเหมือนกันมัณทิตก็เป็นมัณฑ์เลงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไปอย่าไปคิดว่าทำความดีแล้วนะ ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคนที่คิดแบบนี้เนี่ยพอเกิดเจ็บป่วยเขา้าก็เกิดความท้อแท้นะเกิดความเกิดหมดศรัทธาในการทําบุญทํากุศลหรือว่าถึงกับเกิดความโกรธแค้นนะครูบาอาจารย์ว่าไปหลอกให้หลงผิดโกรธแค้นกดแห่งกรรมโกรธแค้นชะตากรรมนี่หนักเข้าไปใหญ่เลยหรือบางคนก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่าเกิดเหตนร้ายอย่างอื่นนะเช่น ถูกโกงธุรกิจล้มละลายหรือว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้ถึงกับโมโหนะเลิกปฏิบัติธรรมเลิกทำบุญเลย ก, ก็มีอย่างเมื่อเคยมีเลิกมีเคยมีเรื่องเล่าที่ทสุรินเนี่ยมันหลายสิบปีก่อนมีการไฟไหม้ใหญ่เหตุไฟไหม้ใหญ่บ้านเมืองวอดวายเป็น เรียกว่าเป็นนับสิบนับร้อยหลังผู้คนก็สิ้นเนื้อประดาตัวกันมากมายก็มีหลายคนนะก็ตัดเพ้อต่อว่าว่าทำไมฉันอุตส่าห์ทำบุญให้ทานกระถินผ้าป่าก็ไม่เคยเละเว้นทำไมต้องมาเจอแบบนี้นะบางคนถึงกับเลิกเข้าวัดไปเลยเพราะรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี นะก็มีคนมามาพูดอย่างนี้กับหลวงปูด่ดูลนะหลวงปูด่ดูลนี่ท่านเป็นท่านก็อยู่สุรินเหมือนกันนะวัดบุรพารามท่านเป็นพระที่ผู้คนเคารพนับถือมากนะท่านเป็นสิทธิ์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นก็มีคนมาป่ารบอย่างนี้กับท่านท่านก็เลยพูดว่า ไ ฟ, นะนนะไฟมันทำตามหน้าที่ของมันนะไฟมันทำตามหน้าที่ของมันไอ้ธรรมะเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ในลักษณะนั้นคือไม่ได้มีประโยชน์ว่าจะต้องห้ามไฟไม่ให้เกิดขึ้นอย่างที่หลายคนไปเข้าใจว่าทาบุญแล้วต้องไม่เกิดไฟไหม้ต้องไม่เกิดความเดืดร้อนกับตัวท่านก็บอกว่าธรรมะไม่ได้มีประโยชน์ในลักษณะนั้นแล้วท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้ความวิบัติ ความอันตรท า, านความเสมื่อมสูญความพัดพรากสูญเสียนี่มันเป็นธรรมดาโลกนะมันไม่มีใครที่จะหนีพ้นได้คราว น, นี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมนะหรือหน้าที่ของคนมีธรรมะก็คือว่าเมื่อเจอเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําอย่างไรถึงจะไม่ทุกขนะ์ทำอย่างไรในที่นี้ทั้งหมดถึงการทําใจการรักษาใจไม่ให้ทุกข์นะ อย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมนะมีธรรมะแล้วนะให้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดไฟไหม้จะไม่เกิดจะไม่เจ็บไม่ป่วยอันนั้นไม่ใช่เนะีย่ยคนไปเวลาทาบุญรักษาศีลไปมีความเข้าใจว่าจะต้องนะไม่เกิดเรื่องทุกข์ร้อนเลยนะที่จริงการให ให้ทารักษาศีลมันก็ช่วยนะไม่ให้มีทุกร้อนเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ร0อยเซสามารถจะป้องกันความเดือดร้อนร้อนใจได้ก็สาาักจสรนะลองนึกถึงคนที่ไม่มีศีล น, นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยมีชู้ประพฤติผิดในกามนะชอบโกหกหรือว่ากินเหล้าแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็สามารถจะทำให้เกิด ความวุ่นวายในชีวิตได้เอาอยุตัวเองง่ายๆแค่กินเหล้าเนี่ยกินเหล้านี่ น, น, นะมันก็ทำให้สุขภาพย่ำแย่นะครอบครัวแตกแยกหรืออาจจะกลายเป็นฆาตรกรโดยไม่ตั้งใจก็ได้ตั้งโดยอุบัติเหตุขับรถยนต์หรือว่าไปโกรธขึ้นโมโหใครเอาไม้เอาปืนไปฟาดเขานะจนตายเพียงแค่กินเหล้าอย่างเดียวนี่มันก็มีนาพาความทุกข์มาให้มากมาย แต่พองดกินเหล้าไม่กินเหล้าเนี่ยไอความทุกข์เหล่านี้ก็เป็นอันแทบจะหมดหายไปเลยแต่มันก็ไม่หมดทีเดียวนะมันก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้เพราะว่าถึงแม้จะรักษาศีลแต่ว่าก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุต้องเจ็บต้องป่วยนะมีเรื่องเดือดร้อนแต่ว่ามันจะน้อยกว่าคนที่ไม่รักษาศีลจากนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไง ถึงจะให้ใจไม่ทุกข์อันนี้ทำได้เนะจ็บป่วยป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยนี่ทำได้เสียทรัพย์นะถูกโกงไปแต่ว่าใจไม่ทุกข์นี่ทำได้นะพลาดพลาดสูญเสียจากคนรักนะแต่ว่าใจเนี่ยเป็นปกติไม่ไม่ระทมหมดนหมองจนเสียผู้เสียคนนี่ทำได้ทาได้ยังไงก็พาาฝึกตนนะ ฝึกตนให้มีสติฝึกตนจนเกิดปัญญาเห็นว่าอนี่มันเป็นธรรมดาโลกนะคนเราเกิดมาก็ต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายต้องมีความพลดัดพลาดสูญเสียนะอย่างที่เราสวดมนต์นะทุกเชา้าทุกเชา้านะความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ให้ใส่กางเกงมันเกิดก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานะมีความยึดติดถือมั่นในขันทั้ง5ว่าโดยยอุปทานขันทั้ง5่าเป็นตัวทุกขนะ์เพราะความยึดติดในอุปทานขันนะมันก็เลยทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพอประสบกับสิ่งที่ไม่สบายใจไม่พอประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะ อันนี้พาะมันมีความยึดติดถือมั่นด้วยความหลงว่าสิ่งทลายทั้งปวงมันจะเที่ยงมันจะเป็นของเราไปตลอดหรือว่ามันเป็นตัวเราของเราตั้งแต่วินาทีแรกที่ที่มีมันซึ่งพวกนี้มันก็เป็นความเข้าใจที่ผิดทั้งนั้นาการฝึกตนเนี่ยนะฝึกตนเพื่อให้เกิดถึงที่สุดแล้วเพื่อให้เกิดปัญญาจนเห็นว่าอ๋อมันไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้เลย เพราะทุกอย่างล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เราจะหวังความสุขจังมันได้อย่างแท้จริงเพราะว่าทุกอย่างก็เจอเือผลได้ทุกนะและไม่มีอะไรที่เราจะคิดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไว้วางใจได้เลยเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเ ม, มื่อเราเกิดปัญญาเช่นนี้เนี่ยเวลาเกิดความพัดพลาดสูญเสียก็ไม่ทุกเวลาเกิดเจ็บเกิดป่วยก็ไม่ทุกเพราะรู้มันเป็นธรรมดาโลก นะหรือแม้แต่เจอเหตุเจอสิ่งที่กระทบใจที่รุนแรงน้อยกว่า น, นั้นนะแต่ว่าจิตใจก็ไม่หวันไหวเพราะมีสติรู้จักปล่อยรู้จักวางได้คุณภาพจิตอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นมาจากการที่ได้ฝึกนะฝึกตั้งแต่กายวาจาจนถึงใจนะฝึกกายวาจาด้วย ทานด้วยศีลนะฝึกใจด้วยสมาธิด้วยภาวนานะแม้แต่ภาวนานี่ก็อย่าทำแค่รูปแบบนะคือเอาแต่นั่งหรือเอาแต่เดินนะมีบางคนไปฝึกเป็นครูสอนสมาธินะมีการนั่งสมาธิมีการเดินจงกรม นะก็ทำทั้งวันนะพอทำเสร็จจะกลับบ้านเห็นรถของตัวเองเนี่ยออกไม่ได้เพราะมีรถอีกคันหนึ่งขวางไว้โมโหมากบวยวายว่าใครมาจอดรถขวางจอนเป็นระเบียบบวยวายเสียงดังเลยนะอุตส่าห์ไปฝึกสมาธิมานะแต่ว่าไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ได้อ่อ ฝึกจิตฝึกใจของตัวเท่าไหร่เพราะว่าโกรธขนาดนี้แล้วนี่ก็ยังไม่รู้ตัวแล้วก็การที่คนอื่นมาจอดรถซ้อนจอดรถขวางก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าความที่เอาแต่ใจตัวแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะฝึกให้นิสัยนี้มาลดลงเลยอาการทําสมาธิก็ไม่ได้ช่วยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดจะฝึกตนฝึกใจหรือลดละความเห็นแก่ตัวหรือว่ารู้เท่าทันกิเลส รู้ท่าทานความโกรธที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นการทำตามรูปแบบแต่ว่าไม่ได้วางจิตวางใจอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือภาวนาถ้าทำแต่รูปแบบทำไปตามความเชื่อที่คนเขาบอกกันมาว่าเออทำแล้วจะจะได้ไปสวรรค์ทำแล้วจะมี โชคมีลาภได้มีอายุวันน่าสุขาพระระทำแล้วจะคร้าคลาดจากอันตรายทำแล้วจะปิดอบายได้ให้พวกนี้เนี่มันเป็นการทำด้วยความหลงล้วนแล้วแต่เป็นเส ร, ธธ ร, ริลปัตตาปรมากทั้งนั้นจะไม่ใช่เป็นการฝึกตนนั้นหลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องจับหลักให้ได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นไฟเพื่อการฝึกตนขัดกล่าวกิเลสวดความเงียตัว และเพิ่มพูนจิตเมตตาจิตปลูกศรัทธาให้มากขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความภาคเพียรอันนี้เรียกว่าลดอกุศลธรรมและเพิ่มกุกศลธรรมขึ้นในใจให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นการฝึกตนจริงๆเพราะถ้าไม่ฝึกตนนะแต่เป็นการทำตามรูปแบบเป็นการทําดยเจตนาอยากได้โน่น อ, อยากได้นี่ มันก็กลายเป็นการสนองกินเลปนปะปลนเปลืกินเละประโยชน์ที่ได้มีอยู่นะแต่น้อยและแต่บางทีก็อาจจะเกิดโทษมากอย่างที่ได้พูดมาอาแล้วก็ผอสมควรแต่เวลานะก็ยุติเท่านี้